สวัสดีค่ะสําหรับลูกเพจพระเจอผีแล้วก็บรรดาคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะทางช ANNEL พระเจอผีของ u t u b e ด้วยนะคะนานแล้วค่ะที่เราไม่ได้มาพูดคุยกันนะคะนานๆจะมีเวลามาอัปเดตคลิปมาอัปเดตเสียงนะคะให้กับทุกๆ ท, ท่านได้รับฟังกันแล้วก็วันนี้เช่นเคยนะคะไปเสาะแสวงหาเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสันประสาทสาหรับคนขวัญอ่อ หรือว่าแนวที่คนชื่นชอบนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อแล้วก็เรื่องของความลึกลับต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ผีแม่มวยค่ะผีแม่พวยเนะีคะเป็นผีที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีหลอกไม่เว้นแม้แต่กลางวันความดังของผีแม่พวยจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยไม่แพ้แม่นาคพระขนงแม้แต่พระยังไม่รับนิมนต์มาปราบนะคะพูดถึงเรื่องราวของความเฮี้ยนไม่เลิกรานี้ว่ากันว่าในครั้งหนึ่งไม่มีใครกล้าเฉียดกรายเข้าไปใกล้บ้านร้างหลังนั้นเลยนะคะเพราะว่าหลายคนที่เจอมาเนี่ย มาเล่าตรงกันเลยว่าเวลาที่เดินผ่านบ้านแม่พวยมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หหยหวนอย่างน่าสงสารดังลอดออกมาจากภายในบ้านนะคะคล้ายกับว่ากำลังร้องเรียกหาลูกแล้วก็สามีที่ทอดทิ้งไปอยู่ไกล พูดถึงกิติศัพท์ของผีแม่พวยค่ะเท่าที่ทราบมาผีแม่พวยที่บ้านร้างจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยยังปรากฏให้คนอื่นเห็นอยู่เนืองๆซึ่งก็มีเรื่องเล่าถึงแม่ค้านะคะที่พายเรือขายขนมหวานอยู่คนหนึ่งซึ่งแกเองเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่บางปลามะตอนนั้นคือมาอยู่ใหม่ๆก็ยังไม่รู้กิติศัพท์ความเฮี้ยนของผีแม่พวยที่บ้านร้างคือทุกวันเนี่ยป้าแกก็จะพายเรื อ, อผ่านบ้านแม่พวยเพื่อไปขายขนม พอตกท่าก็พายเรือกลับบ้านค่ะวันหนึ่งขณะพายเรือกลับบ้านมันก็ใกล้สะพานท่าน้ำบ้านแม่พวยแกก็มองไกลๆกล็เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวยืนนะคะผิวขาวท้องแก่ด้วยยืนยืนอยู่ตรงท่าน้ำแล้วก็ยื่นมือมากวักมือเรียกที่หัวสะพานเพื่อซื้อขนมตัวแกเองเนี่ยก็ดีใจแล้วก็รีบเอาเรือเข้าไปเทียบพร้อมกับถามว่านะคะจะรับขนมอะไรจ๊ะผู้หญิงคนนั้นก็ ไม่ได้ว่าอะไรนอกจากพูดว่ามีอะไรก็ห่อมาเถอะฉันไม่ได้กินขนมหวานมานานมากแล้วแม่ค้าก็จัดแจงห่อขนมให้แล้วก็ยังได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นอีกว่าวางขนมไว้ที่ชั้นบันไดนั่นแหละเดี๋ยวจะลงไปเอาแม่ค้าก็ที่เป็นป้าขายขน ม, ม น, นะคะแกก็หันไปห่อขนมเรียบร้อยแล้วก็จัดวางไว้บนชั้นบันไดค่ะเสร็จแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองแต่ว่าไม่เห็นมีใครอยู่แล้ว บนหัวสะพานก็พบกับความว่างเปล่าแกก็ตะโกนเรียกให้มาเอาขนมแต่ก็เงียบค่ะผิดสังเกตเข้าอาพอผิดสังเกตเข้าเนี่ยแกก็เลยเดินขึ้นบันไดไปดูพอเห็นสภาพบริเวณบ้านเท่านั้นแล้วโอ้โหรู้สึกชาวูบไปทั้งตัวเลยเพราะว่าบ้านหลังใหญ่นีนเนี่ยส่อว่าจะเป็นบ้านร้างไม่มีใครอยู่แน่นอนเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อแกบอกว่า บ้านหลังนี้เนี่ยคือเหมือนกับถูกปิดตายมานานแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าไม่ไม่มีใครอยู่แน่แเลยเนี่ยต้องเป็นบ้านร้างแน่แแล้วผู้หญิงที่เห็นที่เป็นท้องแก่ที่มายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยจะเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากผี แล้วไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนเนี่ยคือจะหายไปไหนเร็วมากคือป้าก็คิดได้แค่นี้แหละแกก็รีบลุกหนีเลยทันทีนคะคะรีบล่นลานลงบันไดค่ะจำฝีพายอ้าวอ้า ว, าวทิ้งขนมหวานซึ่งห่ออย่างเรียบร้อยไว้ตรงนั้น หนักเข้าแบบคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยที่บอกว่าผีเฮี้ยนจากบ้านร้างเขาก็อารวาดในตอนกลางวันก็มีเช่นว่าบางวันเนี่ยค่ะบ้านร้างที่ถูกปิดตายมานานถูกเปิดอ้าดรับลมบางครั้งนะคะมีผู้หญิงคนนึงโผล่ออกมาทําความสะอาดให้เห็นกันจะใเลยก็มีในมือเนี่ยคือถือไม่กว่าเดินปัดพื้นนะคะแถมยังร้องเพลงอย่างสบายอารมณ์ ผีไม่พวยเนะะียค่ะยังเที่ยวหลอกหลอนผู้คนไปทั่วจนบางรายถึงกับจับไข้หัวโกรนกันเลยทีเดียวชาวบ้านชักจะทนไม่ไหวค่ะก็เลยปรึกษาหารือกันว่าต้องหาใครมาจัดการให้วิญญาณสงบไม่เช่นนั้นเนี่ยชาวบ้านนึมีใครตายกันบ้างละ่ะดังนั้นชาวบ้านบางประมากลุ่มหนึ่งก็เลยพากันไปหาหลวงปู่ไข่วัดบางเลนค่ะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ทางสายเวทผู้เก่งกาดรูปหนึ่งมาปราบ แต่ว่าหลวงปู่ไข่ก็ไม่รับกิจนิมนต์นะคะท่านบอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนในเมื่อคนไปรุกอาราณถึงบ้านเข้าแล้วยังจะให้อัตมาไปปราบอีกหรอมันถูกต้องแล้วหรอถ้ามีคนมาไล่พวกโยมออกจากบ้านพวกโยมจะรู้สึกอย่างไรละ่ะ อาชาวบ้านก็ไม่กล้าเถียงสิคะเถียงไม่ออกค่ะก็เลยลาหลวงปู่กลับเลยเพราะว่าจนปัญญาที่จะตอบก็เลยปล่อยให้ผีแม่พวยปรากฏตัวสำแดงฤทธิ์ต่างๆนานาต่อไปนะคะเรียกว่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยประสบพบเจอค่ะเป็นเรื่องราวความเฮี้ยนของผีแม่พวยนะคะยังไม่พออยู่แค่นี้ เรื่องราวของผีแม่พวยเนี่ยเกิดดังขึ้นมาขนาดที่ว่าหนังสือพิมพ์บางเ ก, ออกาะไทมสมัยนั้นต้องส่งสัมอาส่งนักข่าวมาทำข่าวทั้งชาวบ้านต่างจังหวัดไกลๆก็ดันด้นเงินเข้ามาเดินทางมาเพื่อที่จะดูบ้านร้างผีสิงกันอยู่เสมอนะคะความดังของผีแม่พวยล่วงรู้ไปถึงหูของสามีของแม่พวยที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ แกก็เลยคิดที่จะขายบ้านร้างหลังนี้ในราคาถูกๆให้กับคหาบดีคนหนึ่งเพื่อที่เรื่องวุ่นๆเนี่ยจะได้ยุติลงสักทีซึ่งขหาบดีรายนี้ก็สนใจนะคะแต่ว่าขอดูบ้านก่อนค่าหบดีจึงเดินทางมาที่บ้านร้างพร้อมกับลูกน้องระหว่างที่กำลังเดินสำรวจอยู่บนบ้านนะคะตอนกลางวันแส ก, แสกนี่แหละข้าหาบดีกับลูกน้องถึงก็ตก ตะลึงตัวแข็งทื่อเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเรือนทั้งเรือนนี่มันโยกเหมือนเกิดแผ่นดินไหวพร้อมกับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องครวญครางคล้ายกับกำลังได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสค่ะ เสียงดังออกมาจากที่ปิดประตูใส่กุญแจแล้วก็มีฝุ่นละอองอยากย่ายจับเต็มไปหมดเมื่อเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ทั้งข้าบดีแล้วก็ลูกน้องนะคะก็ต้องรีบกลับมาอย่างไม่คิดชีวิตรีบลงเรือกลับอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่หวนกลับไปอีกเลยนะคะบ้านแม่พลอยก็เลยถูกปล่อยทิ้งร้างลงไปอีก10กว่าปีจนกระทั่งนายชัยยุทธนะคะบุตรชายของนางพวยเติบโตเป็นหนุ่มแล้ว ก็เลยกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของแม่เห็นสภาพบ้านที่เคยอยู่อาศัยในวัยเด็กซุดโทมไปตามกาลเวลาก็เลยนึกสังเวทใจประกอบกับนางพวยผู้เป็นแม่เนี่ยคือได้เสียชีวิตลงไปแล้วยังไม่เคยทําบุญอุทิศนกุศลไปให้ในที่สุดนะคะนายชัยยุทธก็เลยได้ตัดสินใจ ย, ยกบ้านหลังนี้ให้กับวัดบ้านด่านเพื่อเป็นกุฏิให้กับพระภิกษุจำพรรษาบางทีนะคะกุศลผลบุญครั้งนี้อาจส่งผลให้วิญ ญ, ญาณแม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น เมื่อได้รือ้อบ้านของนางพวยมาสร้างเป็นกุฏิแล้วนะคะก็มีพระภิกษุมาจำพรรษาอยู่หลายรูปแต่ว่าแต่และรูปค่ะอยู่ได้ไม่นานก็อพยพไปอยู่ที่อื่นด้วยสาเหตุต่างๆนานานะคะเรือนร้างของแม่พวยหลังนั้นก็เลยถูกสร้างขึ้นเป็นกุฏิหลังหนึ่งสำหรับพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านด่านวัดเล็กๆใน ama, อาเภอบางปลมาจังหวัดสุพรรณบุรีและหลังจากการถวายบ้านร้างให้วัดแล้ว วิญญาณแม่พวยก็ไม่เคยปรากฏมาหลอกหลอนใครอีกเลยจึงคิดว่าแม่เนี่ยคงได้รับกุศลผลบุญที่ลูกกุทิไปให้แล้วก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วก็ได้สําหรับกุฏิที่สร้างจากเรือนร้างของแม่พวยนั้นนะคะปัจจุบันนี่ถูกปิดตายค่ะเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์เข้าไปอยู่แล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันก็จะดูแบบเงียบเหงอวังเวงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นอายแห่งอาถรรพ์ในอดีตยังคงหลงเหลืออยู่เลยทําให้พระในวัดเนี่ยขยาด ไม่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนหลังนั้นก็เป็นได้เหมือนกันนะคะการที่วิญญาณของเม่พ่วยนะคะยังคงวนเวียนยึดติดอยู่กับโลกมนุษย์โดยไม่ยอมไปสู่ที่ชอบหรือสถานที่ที่เหมาะสมกับเวรกรรมของตนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าวิบากกรรมที่เคยทำทําให้สลัดกิเลสไม่หลุดคือยังปงไม่ตกนะคะกับคนข้างหลัง เรียกง่ายๆคือยังห่วงใยไม่ว่าจะเป็นการห่วงใยลูกห่วงใยสามีจึงต้องใช้น่กรรมให้เบาบางลงความยึดติดถึงจะหมดไปนั่นเองนะคะ พูดถึงเรื่องของวิญญาณที่ยังคงปรากฏร่างให้คนเห็นนี้เนี่ยยังคงมีเรื่องเล่าที่วัดบางซออําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นวิญญาณของหญิงสาวแล้วก็เด็กที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มจมน้ําหายไปและมาปรากฏตัวเป็นรูปร่างชัดเจนให้คนรักซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดบางซอนี้เห็นและก็ไม่ใช่เห็นแค่พระรูปนั้นรูปเดียวนะคะแต่ทั้งเด็กวัดแล้วก็พระเนรไห่หลายรูปเหมือนกันก็เห็นเหมือนกันหมด โดยวิ ญ, ญญาณตนนี้ขึ้นมาปรากฏรูปปรากฏร่างแล้วก็ก้มหน้านิ่งๆอยู่พักใหญ่แล้วจู่ๆก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาค่ะนอกจากนี้นะคะในบางคืนค่ะเมื่อพระเนนจำวัดกันหมดแล้วก็จะได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ใต้กุฏิบางครั้งก็ใช้ไม้เคาะกุฏิหลังโน้นทีหลังนี้ทีเล่นทําเอาทั้งพระทั้งเนรเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่ามีวิญ ญ, ญาณของผีสาวมาหลอกมาหลอนนะคะชาว บ, บ้านเล่านะคะว่าผีสาวตนนี้เนี่ย พอหลอกพระในวัดได้สักพักหนึ่งก็คงจะเบื่อก็เลยไปหลอกพระไปหลอกคนที่อยู่นอกวัดบ้างโดยวันดีคืนดีเนี่ยนะคะในยามดึกถ้าใครที่พายเรือผ่านหน้าวัดก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงกับเด็กโดดน้ำเล่นเป็นที่สนุกสนานชั่วพลิปตาก็หายไปเล่นเอาชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมายามดึกประสาทาวากันเป็นแถวคะ่ะ มีการเล่าต่อกันนะคะว่าต่อมาพระที่เป็นอดีตคนรักของผีสาวตนนั้นท่านได้บวชต่อไปโดยไม่สึกแล้วก็ได้ย้ายหนีไปจำพรรษาอยู่ที่วัดแถวๆจังหวัดนนทบุรีนะคะณนะปัจจุบันนี้คือท่านไปอยู่ที่นู่นแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีภิกษุรูปหนึ่งมาจําพรรษาอยู่ซึ่งจากการสอบถามจากความรู้สึกนะคะที่ได้มาอยู่ที่กุฏิที่เคยเป็นเรือนผีดุมาก่อนนะคะว่าท่านเคยได้พบกับเหตุการณ์อะไรท่านก็รอให้ฟังนะคะว่า ท่านเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนตอนแรกก็มีความกลัวเหมือนกันพอคิดได้ตนถวายตัวเป็นศิทธถาคตแล้วสมควรที่จะภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับวิญญาณที่ต้องทนทุกข์ทรมานให้ไปผุดไปเกิดเสียหลังจากนั้นค่ะไม่นานท่านก็ฝันเห็นวิญญาณหญิงสาวตนหนึ่งมาปรากฏตัวแล้วก็บอกว่าถ้า ท่านจะอยู่ที่กุฏิหลังนี้อย่างสงบก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในวินยัยตนจะช่วยคุ้มครองเพศภัยให้ท่านก็รับปากแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะ คุณผู้ฟังคะเรื่องผีที่เล่ามาทั้งหมดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะของผู้ที่เคยสัมผัสจนเป็นเรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาโดยสถานที่เกิดเหตุนั้นก็ยังมีอยู่นะคะจึงพอจะเป็นสิ่งยืนยันได้นะคะว่าวิญ ญ, ญาณแม้จะเป็นเรื่องเล้นลับนะคะแต่ก็มีอยู่จริงอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับท่านเจ้าของบทความด้วยนะคะกับแอปเกจิด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับผู้ที่เรียบเรียงเรื่องเหล่านี้มาให้ ได้ฟังกันนั่นก็คือคุณศักดิ์ศรีบุญรังศีจากสำนักข่าวทีนิวค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมค่ะก่อนจากกันฝากช n แนลพระเจอผีด้วยแล้วก็ฝากทางด้านของเพจนะคะ facebook นะคะพระเจอผีเซิร์ชได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของการอัปเดต เรื่องราวพระเจอผีหรือว่าเรื่องราวตำนานแล้วก็เรื่องของความเชื่อนะคะที่ช n n e l พระเจอผีที่นี่เป็นการอัปเดตรูปแบบใหม่ส่วนจะเป็นแบบไหนนั้นนะคะต้องบอกว่าติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ